ยานที่สิบสามโคตรภูยานโคตรภูยานในลำดับต่อจากอนุโลมยานชวนะจิตย่อมเกิดขึ้นรับเอาความดับสังขารคือพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยสละทิ้งสังขารที่กาหนดรู้อยู่กับปัญญาที่เกิดร่วมกับชวนะจิตนี้ชื่อว่าโคตรภูยาน การรับเอาความดับสังขารเป็นอารมณ์นั้นเหมือนกับการหลุดพ้นจากสังขารแล้วแล่นเข้าสู่ความดับสังขารไม่ใช่การรู้อารมณ์ของจิตทั่วไปที่เป็นคนละส่วนกับอารมณ์เหมือนในการก่อนดังคำพีปฏิสัมพิามักกล่าวว่าหนึ่งจิตที่ครอบงำความเกิดขึ้นแล้วแล่นเข้าสู่ความไม่เกิดขึ้นชื่อว่าโคตรพู 2. จิตที่ครอบงำนิมิตคือสังขารภายนอกแล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพานอันดับสังขารชื่อว่าโคตรัปภูอันหนึ่งโคตรัภูยานนี้นับเข้าในยานทัศนวิสุทธิเพราะได้รับเอาพระนิพพานเป็นอารมเหมือนมักคยานที่จัดว่าเป็นยานทัศนวิสุทธิความเห็นอันหมดจดโดยตรง ยานที่14ถึง15มัคคยานผ ล, ลยานมัคคยานและผลยานและยานทัศ น, นวิสุทธิในลำดับต่อจากโคตรรัภูจิตมัคคจิตย่อมเกิดขึ้นหนึ่งครั้งรับเอาพระนิพานเป็นอารมณ์ปัญญาที่เกิดร่วมกับมัคคจิตนี้ชื่อว่ามัคคยานและชื่อว่ายานทัศนวิสุทธิ หลังจากนั้นจึงเกิดผลจิตสองครั้งเว้นบริการรับเอาพระนิพพานนั่นแหละเป็นอารมณ์ส่วนผู้มีปัญญามากจะเกิดอารมณ์ชวนะจิตสองครั้งแล้วเกิดผลจิตสามครั้งต่อจากมักในเวลาเช้าผลสมาบัติผลชวนาจิตย่อมเกิดได้มากไม่มีกำหนดปัญญาที่เกิดร่วมกับ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 คือธรรมที่บรรลุพระนิพพานหรือธรรมที่เหมือนแล่นเข้าสู่พระนิพพานต่อจากผลจิตสองหรือสามครั้งก็เกิดผวังคจิตตามสมควรหลังจากนั้นจึงเกิดปัจเจเวคขณะวิถีซึ่งทำหน้าที่พิจารณามรรคผลนิพพากิเลต ท, ที่ละได้แล้วและกิเลต ท, ที่ยังเหลืออยู่เกิดขึ้นหลายรอบตามสมควรต่อไป ระยะการเกิดขึ้นของโคตรภูจิตมัคคจิตและปลจิตที่ปรากฏในมัคควิถีรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้ใช้เวลาเพียงชั่วขณะหนึ่งดังนั้นจิตทั้งสามดวงจึงไม่ปรากฏแก่ผู้บรรลุธรรมในลักษณะของจิตคนละดวงแต่ปรากฏโดยความเกิดขึ้นว่าการสลละทิ้งสังขารคือรูปนาม ที่ตนกำหนดรู้อยู่และสังขารคือการกำหนดรู้ย่อมปรากฏการดำรงอยู่ชั่วขณะเหมือนแล่นเข้าสู่สภาพดับสังขารย่อมปรากฏการพิจารณาที่เรียกว่าปัจจเวคขณะวิถีย่อมปรากฏต่อจากการบรรลุสภาพดับสังขารแล้วเหมือนคนที่ตื่นจากการนอนหลับสนิทแล้วหรือคนที่โผล่ขึ้นจากน้า ในขณะนั้นผู้ที่ได้ศึกษาหลักธรรมมาเป็นอย่างดีย่อมเข้าใจว่าสภาพที่บรรลุความดับสังขารเป็นครั้งแรกคือโคตระพภูจิตสภาพดับสังขารที่ดำรงอยู่ชั่วขณะคือมักคจิตสภาพดับสังขารก่อนจะเกิดการพิจารณาด้วยปัจเจเวฆณาวิถีคือผลจิตสภาพพิจารณาคือปัจเจเวฆณาวิถีจิต มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำภีวิสุทธิมักว่าหนึ่งโอปมาว่าโบรุษผู้ต้องการจะ ก, กระโดดข้ามคูน้ำใหญ่แล้วไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งจึงวิ่งมาโดยเร็วแล้วจับเส้นเชือกที่ผูกห้อยอยู่กับกิ่งไม้หรือยันไม้ค้ำแล้วกระโดดขึ้นโน้มตัวไปยังฝั่งตรงข้ามเมื่ออยู่เหนือฝั่งแล้ว จึงปล่อยเส้นเชือกหรือไม้ค้ำไปและส่วนเซตกลงบนฝั่งนั้นแล้วค่อยๆทรงตัวยืนขึ้นฉันใดสองแม้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีความต้องการจะดำรงอยู่ในพระนิพพานซึ่งเป็นฝั่งตรงกันข้ามของภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณถิติเจ็ดและสัตววาด้า จึงวิ่งมาเร็วด้วยยานมีอุทภพยญาณยาเป็นต้นแล้วจับเส้นเชือกคือรูปที่ผูกห้อยไว้กับกิ่งไม้คืออัตภาพหรือยานไม้คำ้ำมีเวทนาขันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวตนด้วยอวัชนะจิตที่อยู่หน้าอนุโลมยานยังไม่ละเส้นเชือกคือรูปหรือไม้คำ้ำ คือเวทนาเป็นต้นด้วยอนุโลมจิตดวงที่หนึ่งแล้วเป็นผู้มีใจโน้มเอียงโอนไปสู่พระนิพพานด้วยอนุโลมจิตดวงที่สองดุจบุรุษผู้มีกายโน้มเอียงโอนไปยังฝั่งข้างโน้นเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานที่ตนจะพึงถึงด้วยอนุโลมจิตดวงที่สามดุจบุรุษที่กระโดดไปถึงส่วนเบื้องบนของฝั่งโน้นแล้วละอารมณ์ คือสังขารเมื่ออนุโลมจิตดวงที่สามนั้นดับลงแล้วตกลงไปในพระนิพพานที่ดับสังขารซึ่งเป็นฝั่งโน้นด้วยโคตระภูจิตแต่เพราะยังไม่มีความคุ้นเคยในอารมณ์พระนิพพานเพียงครั้งเดียวจึงยังหวั่นไหวไม่ตั้งมั่นได้ดีเมื่อแรกรับเหมือนบุรุษผู้ส่วนเซอยู่นั้น ต่อจากนั้นจึงตั้งมั่นด้วยมรรคยานคำอุปมาอุปไมที่กล่าวไว้ในคำพีอัตกถฐานี้ชัดเจนเข้าใจง่ายในมัชิมะปันนาสมหามาลุกยะปุตตะและอังคุตรนิกายนวะกนิบาตปัญจมสูตรพบเรื่องการเกิดมรรคยานดังต่อไปนี้ หนดูกระอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมแล้วย่อมบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. เธอย่อมรู้เห็นสภาวะธรรมเหล่านั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ในขณะบรรลุปฐมฌานนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นตอมฝีเป็นลูกสอนเสียบเป็นความชั่วร้ายเป็นความป่วยไข้เป็นสิ่งอื่นแต่ทำลายไปว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนสามเธอย่อมปล่อยจิตออกจากสภาวะธรรมเหล่านั้นสี่ เธอปล่อยจิตออกจากสภาวะธรรมเหล่านั้นแล้วน้อมจิตไปในอมะตะธาตุว่าความดับนี้สงบประนีตอันเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงสละอุปธิทั้งหมดคือขันกิเลสอภิสังขารอันเป็นบุญบาปและกรรมคุณสิ้นตัณหาคลายกำหนัดดับทุกข์ข้อความนี้ม่ใช่หมายถึงการบริกรรมว่า พระนิพพานเป็นสภาพสงบประนีตแต่เป็นการเห็นประจักษ์สภาพดับสังขารว่าสงบประนีตและจะปรากฏชัดเจนเมื่อเกิดปัจเจเวคขณะยานที่พิจารณาเห็นความดับดังกล่าวดังคำอธิบายในคำพีอัตคถาของมัชชิมะปัญ น, นาตว่า หผู้บรรลุ ธ, ธรรมย่อมน้อมมักจิตไปสู่พระนิพพานด้วยการรับเอาเป็นอารมณ์นั่นแหละสเขาไม่ได้บริกรรมอย่างนี้ว่าพระนิพพานนี้เป็นสภาพสงบประณีต 3. แต่เมื่อแทงตลอดพระนิพพานนั้นด้วยลักษณะสงบประณีตนั้นย่อมชื่อว่าน้อมจิตไปหาพระนิพพานนั้น เมื่ออนุลมยานเกิดขึ้นรู้เห็นลักษณะ40สอย่างใดอย่างหนึ่งในอนิจจลักษณะส0บทุกคลักษณะ25และอนัตตลักษณะหแล้วมรคยานย่อมเกิดขึ้นรู้เห็นพระนิพพานโดยตรงกันข้ามกับลักษณะทั้งหมดนั้นดังคำพีปฏิสัมพิธามกกรกกล่าวว่าหนึ่ง ผู้ที่รู้เห็นขันห้าว่าไม่เทียงย่อมบรรลุอนุโลมญาณสองผู้ที่รู้เห็นว่าความดับของขันห้าเป็นพระนิพพานที่เทียงย่อมอย่างลงสู่อริยมรรคคำว่าปัจจคันเทขันห้าในประโยคนี้เป็นคำกล่าวรวมขันทั้งหมดที่บุคคลต่างๆพึงกำหนดรู้ มิใช่มุ่งแสดงถึงการรู้เห็นขันหในขณะเดียวกันความจริงแล้วอนุลมยานย่อมเกิดขึ้นรู้เห็นขันอย่างใดอย่างหนึ่งในขันหอันเป็นรูปหรือนามอย่างใดอย่างหนึ่งดังหลักฐานจากคำพีวิสุทธิมักข้างต้นว่าจับเส้นเชือกคือรูปหรือยานไม้ค้ำมีเวทนาขันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนั้นในคำพีอถกถาหลายแหง่ง ยังกล่าวถึงโคตรภูญานและมรรคยานที่เกิดขึ้นต่อจากอนุโลมยานอันรู้เห็นรูปหรือนามว่ารูปาวุธถาติอรูปาวุธถาติมิได้กล่าวไว้โดยตรงว่ามรรคยานเกิดขึ้นต่อจากโคตรภูญานที่เกิดถัดมาจากอนุโลมยานอันรู้เห็นรูปนามทั้งหมดในขณะเดียวกัน อย่างไรก็ตามข้อความในคำพีอัตกถาปฏิสัมพิธามักว่าย่อมออกจากขันห้าโดยขณะเดียวเป็นคำกล่าวโดยอ้อมคร้อยตามบุคคลผู้มีปัญญาแก่กล้าที่สามารถบรรลุวิปัสนาญาณและมัคคยานด้วยการปฏิบัติเพียงชั่วขณะหรือด้วยการนั่งเพียงบัลลังเดียว ความจริงแล้วธรรมชาติของจิตต้องรับเอาอารมณ์เดียวในขณะเดียวไม่อาจรับอารมณ์ทั้งสองอย่างในขณะเดียวกันได้ดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมักกล่าวว่า 1. ผู้ที่มีปัญญาแ ก, กา่กล้ากำหนดรู้รูปรธรรมและนามรธรรมตามที่ปรากฏชัดพร้อมด้วยเหตุปัจจัยของธรรมเหล่านั้นแล้วบรรลุวิปัสสนาญาณอยู่ แทงตลอดสัจจะโดยพลันตามลำดับญาณโดยการนั่งอยู่ครั้งเดียวชื่อว่าออกจากขันห้าโดยขณะเดียว 2. มิฉะนั้นแล้วบุคคลย่อมไม่อาจออกจากขันห้าได้เพราะไม่มีการรับรู้และการกำหนดรู้ขันห้าด้วยโลกิยะจิตดวงเดียวกันเท่านั้น 3. เนื่องจากบุคคลไม่อาจทำอารมณ์ที่เห็นกระทบได้เป็นต้นให้เป็นอารมณ์พร้อมกันได้สรุปความในคัมภีปฏิสัมพิามัคดังต่อไปนี้อนุโลมญาณเกิดขึ้นรู้เห็นรูปนามอย่างใดอย่างหนึง่งที่เกิดดับอยู่ว่าไม่เที่ยงโคตรภูญาณและมัคคยาญย่อมเกิดขึ้นต่อจากอนุโลมญาณ ทำหน้าที่เห็นประจักษ์ความดับของรูปนามที่ไม่เที่ยงทั้งหมดในขณะเกิดวิปัสสนาญาณนั้นความไม่เที่ยงปรากฏด้วยการรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามที่กาหนดรู้แต่ในขณะเกิดโคตรภูญานมัคคิยานและผลยานที่รับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์สภาพดับสังขารเท่านั้นย่อมปรากฏ โดยไม่มีความเกิดดับอีกดังนั้นผู้เห็นประจักษ์พระนิพพานจึงย่างเห็นว่าพระนิพพานเป็นสภาพเที่ยงเพราะไม่มีความเกิดดับอีกต่อไปความปรากฏของอนุโลมยาและมรรคานกล่าวไว้ในคมภีปฏิสัมพิามรคอีกว่าหนึ่งผู้ที่รู้เห็นขันห้าว่าแตกสลายไปย่อมบรรลุอนุโลมยาน ผู้ที่รู้เห็นว่าความดับของขันห้าเป็นพระนิพพานอันมีสภาพไม่แตกสลายไปย่อมอย่างลงสู่อริยมรรคหนึ่งผู้ที่รู้เห็นขันห้าว่าเป็นทุกย่อมบรรลุอนุโลมญาณสองผู้ที่รู้เห็นว่าความดับของขันห้าเป็นพระนิพพานอันเป็นสุกย่อมอย่างลงสู่อริยมรรคหนึ่ง ผู้ที่รู้เห็นขันห้าว่าน่ากลัวย่อมบรรลุอนุโลมญาณ 2. ผู้ที่รู้เห็นว่าความดับของขันห้าเป็นพระนิพพานอันไม่น่ากลัวย่อมอย่างลงสู่อริยมรรคหนึ่งผู้ที่รู้เห็นขันห้าว่าไม่ใช่ตัวตนย่อมบรรลุอนุโลมญาณ 2. ผู้ที่รู้เห็นความดับของขันห้าเป็นพระนิพพาน ที่เป็นสภาพสูงสุดย่อมอย่างลงสู่อริยมรรคหนึ่งผู้ที่รู้เห็นขันห่าวาว่างเปล่าย่อมบรรลุอนุโลมญาณสองผู้ที่รู้เห็นความดับของขันห้าเป็นพระนิพพานที่ไม่ว่างเปล่าย่อมอย่างลงสู่อริยมรรคข้อความจากคำภีปฏิสัมพิามรรคหกตอนข้างต้นนี้จำแนกได้ดังนี้ สองตอนแรกแสดงการเกิดขึ้นของมรรคที่เป็นอมิตตวิโมกโดยเห็นรู้อนิจจลักษณะด้วยอนุโลมญาณสอตอนกลางแสดงการเกิดขึ้นของมรรคที่เป็นอัปะนิหิตตวิโมกโดยรู้เห็นทุกขลักษณะด้วยอนุโลมญาณสองตอนสุดท้ายแสดงการเกิดขึ้นของมรรคที่เป็นสุญญตะวิโมก โดยรู้เห็นอนัตตลักษณะด้วยอนุโลมญาณในคำพีปฏิสัมพิธามักยังกล่าวถึงข้อความอีก34ตอนไว้ในวิปัสสนากถากล่าวโดยย่อคือการรู้เห็นลักษณะ40คืออนิจจลักษณะ10ทุกขลักษณะ25และอนัตตลักษณะ5ตามที่กล่าวไว้ในปฏิสังขญาณ ปริเฉตที่6หน้าที่309ความปรากฏของมารกและผลโดยรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์กล่าวไว้ในคำพีมิลินทปัญหาว่า 1. จิต น, นั้นของผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดรู้อย่างต่อเนื่องนั้นย่อมข้ามพ้นกระแส ร, รูปนามอย่างลงสู่สภาพ ปราศจากกระแสรูรปนาม 2. มหาบอบพิษบุคคลผู้ปฏิบัติชอบที่บรรลุสภาพปราศจากกระแสรูรปนามย่อมเรียกว่าเห็นประจักษ์พระนิพพานในขณะเกิดวิปัสสนาญาณก่อนจะยังเห็นพระนิพพานผู้ปฏิบัติธรรมได้กําหนดรู้กระแสรูรปนามที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เหมือนมองดูสายน้ำที่ไหลไปไม่ขาดช่วงลำดับนั้นปัญญาที่พาไปสู่พระนิพพานปรากฏชัดเจนเป็นพิเศษทำให้เขาไม่รู้เห็นกระแสรูรปนาำตามที่กําหนดรู้อยู่แต่เหมือนแล่นเข้าไปหาสภาพที่ตรงกันข้ามกับกระแสรูรปนาำคือความดับไปของรูปนาำและการกาหนดรู้จิตที่แล่นเข้าหาพระนิพพาน คือโคตรภูจิตมัคจิตและผลจิตบุคคลผู้ประกอบด้วยจิตดังกล่าวได้ชื่อว่าเห็นประจักษ์พระนิพพานในพระสูตรจำนวนมากมีอภัตสูตรเป็นต้นพระบรมศาสดาตรัสถึงความปรากฏของมัคคยานว่าดวงตาเห็นธรรมอันประจากษทุลีประจักษ์มนทิน ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พรามปกคราสาติว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำทั้งปวงนั้นมีสภาพดับไปเป็นธรรมดานัทที่นั่งนั้นแลเหมือนผ้าสะอาดปราศจากมนทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉะนั้นในขณะที่มักปรากฏขึ้นผู้บรรลุธรรมไม่ได้พิจารณาว่า ธรรมที่มีสภาพเกิดขึ้นทั้งหมดมีสภาพดับไปแน่นอนแต่เป็นการเห็นประจักษ์พระนิพพานที่ดับสังขารที่มีสภาพเกิดขึ้นทั้งหมดท่านย่อมเข้าใจในขณะเกิดปัจจเวคขณะยาณที่พิจารณาต่อมาว่าได้บรรลุความดับสังขารคืออารมณ์ที่ตนกำหนดรู้และวิปัสนาจิตและเข้าใจอีกว่ารู้เห็นความดับสังขารทั้งหมด ในขณะดับขันปรินิพานเอกทั้งยังเข้าใจว่าสังขารที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีสภาพดับไปแน่นอนดังนั้นผู้ที่บรรลุมรรคผลแล้วจึงรู้เห็นความเกิดดับด้วยอุทพยญาณหลังจากที่พิจารณาด้วยปัจเจเวคขณะญาณแล้วและอุทพยญาณก็เป็นญาณแรกของพระอริยบุคคล ความหมายของดวงตาเห็นธรรมพบในคำพีอัตถกถาว่าหนึ่งคำว่าธรรมจักขุงในอัมพัทสูตรนี้หมายถึงโซดาปัฏิมัติ 2. พระพุทธองค์ตรัสว่ายังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมัง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งมีสภาพเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำทั้งปวงนั้นมีสภาพดับไปเป็นธรรมดาเพื่อแสดงลักษณะเกิดขึ้นของโสดาปฏิมาคนั้น 3. แท้ที่จริงแล้วมัรคยานนั้นรับเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแทงตลอดสังฆตะรรมทั้งหมดอย่างนี้โดยความเป็นหน้าที่ การแสดงทำวิถีไว้ในคัมภีอัตกถาและคัมภีนี้มีประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจเรื่องวิถีจิตแต่ไม่มีใครรู้ชัดจํานวนจิตที่มีอารมณ์เหมือนกันในวิถีจิตหนึ่งวิถีจิตหนึ่งดังนั้นในที่นี้จึงไม่กล่าวถึงเรื่องจํานวนชวนะจิตที่เกิดขึ้นในมควิถีเป็นต้น ขอให้ผู้อ่านเปรียบเทียบประเด็นสาคัญตามที่ปรากฏในพระบาลีและอัตถกถากับประสบการณ์ของตนดังนี้การเกิดขึ้นของวิปัสสนาญาณตามลําดับตั้งแต่ต้นจนถึงอนุโลมญาณการเกิดขึ้นของวัตฐานคามินีวิปัสนาการเปลี่ยนไปสู่อารมณ์ที่ดับรูปนามต่อจากวิปัสสนาจิตดวงสุดท้าย ที่ชื่อว่าอนุโลมการเกิดขึ้นของปัจเจเวคขณะยานการดำรงอยู่ในอุทภพย า, ยานเมื่อกำหนดรู้รูปนามต่อจากปัจเจเวกขณะยาน